จกบจนบัดนี้ไม่เคยต่อความลําบากไหนเลยจะทนต่อความลําบากในที่จองจําคุมขังได้ประดุจพันธุไม้ซึ่งจเจริญงอกงามในที่มีอากาศหนาวเมื่อนําไปปลูกในอากาศร้อนก็ย่อมจะเหี่ยวเฉาตายไปเองแต่ทรงเข้าพระไถยผิดไปพระเจ้าพิมพ์พิสานบัดนี้ถ้าเปรียบเป็นพันธุ์ไม้